ทันนี้จะเทศเึ็นเรื่องของไม่ดีตัวเทศของดีนี้อยู่ในของไม่ดีและกันเสวะเทศนี้อยู่ในหินใหตากระตั้งใจฟักทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีอยในโลกอันนี้ของที่บริสุทธิ์และไม่มีอย่างเดียวล้วนแล้จะมีกาดนีิกีทั้งนั้นคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะมาเลือกเล้นเอาสิ่งที่ดีจากของไม่ดีนะเพราะโลกอันนี้ไม่ใช่โลกโบริสุทธิ์โลกที่เราเกิดมา น, นี่เป็นโลกที่สกปรก ผู้ทีม่มีปัญญาเลืเอกตะโกนเลือกเชื่อไปโคตเลยผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละที่จะมาตัดเลือกเลือกเป็นเอาสองที่ดีจากของที่ไม่ดีหรือสองที่สตะโ ก, กนๆให้คิดดูผู้ที่เจ้าของเราสมองกันอริยสงฆ์สาวกหายสมองกันท่านเกิดเกื่อมาอยู่ใน เหล่าของกรก บ, บของนั่นแล้วกบกในที่นี่นั้นหมายถึงเรื่องของทิ่ริบ่าประทันทั้งปวงบางท่านบางองค์เช่นพระทางคุรีมางี้เป็นต้นถ้าคนนับจำนวนได้เป็น 1, พัน ก, กว่าแต่เมื่อทำต่อกองปฏิจจังเรียกว่าอุบายน เว้นนกของดีเลือกกับของดีจากของสกบลกท่านจึงได้สำเร็จมรคกที่พาไปใช้ก็เหมือนกันทั้งหมดพวกเราทุกคนที่พากันมานั่งอย่างนี้ก็จุกกัะจักไม่ใช่มันดีมาแล้วหรนว่จะเป็นคนที่ไม่ดีมาก่อนนั่นคือมกมณฑอยู่ด้วยกองที่เหลืปากกระทำ คนพากันเหลวไหลแลอะเละเลอะเทอะมาแล้วไม่ใช่ของบริสุทธิ์ทั้งหมดแต่ด้วยเห็นโทษความที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแนหะจึงพากันเลือกเว้นและเดะสิ่งที่มันบริสุทธิ์ทิ้งแก้สิ่งที่มันะก ป, ปลงคือกองที่เหลสอบารมีัรรอาจจะพูดกันตามหลักเรียกว่าความโรคของปวดควมหลง หรือรักหรือชังเรียกโกรธวมนี้ร่นเนี่ยจะเป็นไฟเป็นอันตรายเราทุกคนมีมาแล้วเรื่องทั้งหลายเรือนี้พา ก, กันเห็นโทษเรื่องก็พา ก, กันบังคับหรือหลอกเล้นแล้วสิ่งที่มันไม่ดีออกเด็กทำไมยังเหลือได้สิ่งที่ดี ในในวันนี้จริงจะพูดเรื่องอส่ริงที่มันไม่ดีไอ้ของดีอยู่ในสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เทศเอาของดีนะะั่นแหละเทศของดีจากของไม่ดีนั่นแหละอะไรที่เทศของดีจากอยู่ในของไม่ดีคือเรื่องทุกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาถึงเรื่อง ประถมเจตนายกทุกข์ขึ้นมาคือเป็นที่ตั้งคนทั้งหลายพากันเห็นโทษทุกข์เห็นได้ง่ายคนที่เห็นโทษทุกข์ง่ายพระองค์จึงได้ยกเอาทุกข์นขึ้นมาเป็นตัวประธานเป็นที่ตั้ง แล้วก็อธิบายทั้งเงินทุกมันต่อไปทุกทั้งหลายนั้นถ้าหากไม่มีในโลกนี้จะแล้วคนเราก็จะพากันประมาณก็กลัวทุกข์คือของไม่ดีคนเราจึงไปพากันควานฝ่ายสแสวงหาตักจิบเงินทองเพื่อได้เงินได้ทองเมื่อมีเงินเมททองยี่งจบเรื่องทุกได้ เพื่จะทำใหความสุขเมื่อไม่ได้เงินทองโดยตรงก็จะต้องศึกษาหาวิชาความรู้ห้อยประกอบอาชีพถึงจะได้เงินถึงจะได้เงินมาไว้สําหรับบำบัดฟุกก็ลองคิดดูสิคนที่ไม่มีวิชาความรู้หรือว่าไม่ค่อนขวายแสวงหาจักิเงินทองหากันนอนของฟุกมันเลย คนที่มีความรู้มากมีความสามารถสะแบงหาจักย์สินรรเงินทองได้มากก็ได้สมสุดขึ้นมาหน่อยคนที่ไม่มีวิชาความรู้ไม่มีความสามารถในการแสวแงหาทักย์สินเงินทองคนนั้นจะต้องได้รับกดกระปากมากนี่แสดงถึงเรื่องทุกเป็นเหตุเป็นปัจจัย ผลแสวงหาความดีคริสต้องการพ้นจากทุกข์ที่เห็นนะั่นเองว่าอย่าไปอย่าไปเกลียดทุกข์เปลี่ยนให้เป็นเบื่อหน่ายให้เป็นถ้าไปเกลียดทุกข์ไม่ปลอยใจในเรื่องทุกข์แล้วก็ไม่สร้างอะไรเป็นเครื่องวัดอะไรเป็นปัใจจัยให้เราหนีจากทุกข์ พระพุทธเจ้าเทศนาทําไม่จักยกทุกข์ขึ้นตั้งแต่ชาติทุกข์ในระป็นต้นสาราอัยอาชีพทุกข์โดยลำดับแล้คนเกิดขึ้นมาปั่นทุกข์ก็เกิดฉะนั้นยังพาดึงไยายามละทุกข์เสียเมื่อไม่เกิดมันก็จะไม่มีทุกข์ทุกข์ เ, กเป็นต้นเหตุในตัวเกิดเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ เพราะเกิดแล้วก็ชราก็เป็นทุกข์ความเจ็บทุอพยาธิก็เป็นทุกข์มรณะก็เป็นทุกข์โาารคกระข่วงเต่าตกเสียใจอะไรก็เป็นทุกข์ปฏิเทวะควมชิริีิลัยลำพันก็ป่าชนจริ่งใดไม่เด่นเป็นปรสงค ก, ก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องยืดยาวก็เพราเกิดตัวเดียวถ้าไม่มีก็เกิดช่วม่มีทุกข์ คนเราก็ไม่แสว ง, งหาสิ่งทางที่จะปวดจากตกเพศนั่นจึงว่าทุกข์เป็นความดีนี่พูดถึงเรื่องทุกข์เป็นความดีคนถ้าหากเกลียดทุกข์ไม่อยากพบไม่อยากเห็นทุกข์คน น, นั่นน่ะเรียกว่าคนยังไม่มีปัญญาแล้วก็ระเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์ยกทุกข์ขึ้นมาเป็นอารมณ์จึงเขาได้ปัญญา วิชากรุ๊ปทั้งหลายดังอธิบายมานี่แหละเกิดจากทุกพระอเน้นลงโดยเฉพาะถึงเรื่องของเกิดเป็นตัวทุกยิ่งนั้นทุกไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของเลวทุกไม่ใช่ของเลวเป็นของดีเดียวในทํางน้จากพระพุทธองค์ก็ตรัสเทศโดยเฉพาะถึงเรื่องทุกไม่ใช่ทิ้งไม่ใช่ทิ้ง ทุกแบนของควรกำหนดไม่ใช่ทุกแบงของคว น, นทิ้งควรทิ้งคือความเทเยอทยานได้แก่ ด, นด้คนอาตมาต่างเป็นของควรลากส่วนจุดทุกพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสเทศนาว่าเห็นล่ะคืออดทุกมาเป็นอาหลบเป็นของควกําหนดหมายความว่าเอานั้นเป็นบัลินกิจที่มาเป็คนของควร มีผู้มีปัญญาต้องยกทุกข์ขึ้นมาเป็นอารมณ์คิ่ดูตัวของเราแล้วก็แล้วกันถ้าเราไม่ปลาลบถึงเรื่องทุกข์เราจะไม่แสวงหาจิ่งมมเลยแดงฟองมั่งเลยแต่พะในวันหนึ่งวันหนึ่ง่ตื่นเช้าเราจะต้องคิดถึงเรื่องทุกข์ลุกขึ้นมาจะเช้าเลยต้องคิดถึงเรื่องทุกข์ วันนี้จะมีอะไรใส่ปากใส่ท้องจะมีอะไรเลี้ยงครอบทั่วเราจะหาได้ที่ไหนสแสวงหาโดวยวิธีใดนี่แหละปลารลบตอนเช้าตื่นสมรารตปลารลบิดปัญญาเกิดแล้วตานนี้จะต้องวิ่งอย่างน้ายที่สุดจะต้องเข้าเจ็บเอ็ดเจ็บอะได้ก็ะสุดแ ล, ล้วเถิดหรือลงน้าลงข่าอะไรก็ต่าง จะปลาจะกุ้งจะปลาตามใจปรญญาไม่ออกไปตรงนั้นแหะจะวิ่งตามปัญญานะ่ะหรือจะไปหารับจ้างรายวันหรือว่าจะออกไปทํางานเป็นพนัก ง, งานหน้าที่อะไรก็ตามเถิดไปตั้งคิดการงานในเป็นข้าราชการเจ้านายที่เขาทำงานทําการอยู่ในตำแหน่งงานต่างๆมันต้องคิดถึงเรื่องกล่าวเรื่องคล่องใช่ไนมตัคือความทุกข์นี่แหละยังค่ อ, ออกไปทํางาน นี่เลยงว่าทุกคนเป็นผิดให้แสวงหานั่นไปรูปายให้แสวงหาจิ่งว่าทุกคนของควรกํากนนกหนดถ้าใจไม่คิดเป็นพุกคือไม่กำหนดทุกแล้วะจะนอนแชวอยู่ในบ้านนั่นแหละจนกระทั่งเสร็จเจนกระทั่งสายจนกระทั่ ง, งวันนี้อะไรจะใส่ปากใส่ท้อพราะลุกขึ้นมาอะไรกินก็ไได้ยิ่งทุกข์แท้หนักเมากกว่านี่เพราะคนไม่ เอาทุกมาเป็นอาดมในว่าพอาเป็นในให้คิดถึงเรื่องลงคนเราเกิดขึ้นมาทุกเป็นของดีอันนี้เป็นเครื่องวัดเหมือนกันไอ้ทุกพูดของตรงนี้อยู่ซะก่อนทุกเป็นเครื่องวัดอีกคนเราจะดีจะสุขหรือว่าจะดีนั่นเอาทุกมาเป็นเครื่องวัด ถ้าไม่มีทุกแล้วก็จะเห็นสุขมันต้องมีของสองอย่างเป็นเครื่องวัดเทียบกันทุกข์คืออะไรความทนทรมานลำบากอยู่ยากทุกข์กายคือหนีวก็หายเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ใจคือความกลุ้มหกลุ้มใจเต่าโศกเสียใจอะไรโทมนักขัดแย้อันนั้นลักษณะของ ค น, นี้ถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเอาพกุกขมาเป็นอารมณ์ยกทุกข์นีเป็นเครื่องกำหนดคนที่เห็นทุกข์ละทา น, นี้คือ่อทุกข์ในการที่หิวก็หายเมื่อเรามีอันใต่ปากใส่ท่อมีอันหยดกินอุดมสมบูรณ์เราก็เรียกว่าสุขเทียบกันกับไม่มีของมีเทียบกับของไม่มี ก็คือเทีย่ยวกับทุกข์นั่นเองเราสบายไม่อดไม่อยากเนียนดิวันจีนไม่เจ็บไม่ไข่เลยเราก็ข้าวนามัยดีเพราะอาหารอุดมสมบูรณ์เพระาะมีสสารนามัยดีแล้วไปเห็นสุขเทีย่ยวกับทุกข์ได้ดี น, น, นั่นแหมันดีอย่างนี้ทุกข์มันดีอย่างนี้เรียว่าความดีอยู่บนขมชั่วอยู่กับขมชั่ว เรามาเฟ้นออกจากคนชั่วนั่นก็ด้วยอาการที่เรามีปัญญาแยกกันออกอย่างนี้แหละมาเทียบกันได้ถ้าหากว่าทุกอย่างเดียวไม่มีทุกไม่สางจากทุกคืออะไรก็เลยไม่ได้จากต่างจาก ส, าสุกนะันเขาเรียกอะไรลันก็เลยจากคำว่าสุกขถ้ามีทุกนี่เองยังคยเทียบกับสุขเหมือนกับร่อนกับจิตเหมือนกับสว่างกับมืด อ, อย่างว่าเรา เห็นความสว่างนี่นะถ้ามันสว่างสว่างเราจะเรียกอะไรก็ไม่ได้ถ้ามันมีความมืดเนี่ยเรายังเคไปเทียบกับความสว่างเฉลียกสว่างกับเพราะมันหายจากมืดซึงก็เพราะมันหายจากทุกเหตุนี้จึงว่าทุกไม่ใช่ของเลวทุวกเป็นของดีาช้เกลียดทุก ไม่พอใจในทุกในทางที่ถูกที่ชอบแล้วเป็นของหนีนะถ้าเกลียดทุกไม่พอใจในทุกในทางที่ไม่ชอบไม่ควรแล้วไม่ดีพอทุกมาก็คุมอบคุมใจอยากจะตายอยากจะหนีคนเจ๊ดอยากทุกเพราะนั้นไม่ดีนี้ระทางที่ไม่ถูกไม่ชอบคนที่หนีไม่ถูกไม่ชอบไม่ถูกทางถูกเรื่องคือเราก็เหมือนกับคนฆ่าตนตาย ทุบกลุ้มั ว, วกลุ้มใจ ก, กันนอนร้องไห้ร้องโหยไม่มีทางแก้ไขถ้าหากไรด้วกวิธีแก้แล้วนะทุกเป็นเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามเพราะอะไรเป็นปัจจัยเป็นเหตุงอธิบายม่ได้กินปี่ปลาลบบนต้นบนต้นทุกเาะคนมีแฟนหลายคนถ้าหากคนเดียวก็ไม่ทุกเท่าไรนะ ถ้าไม่มีจะเลยก็สบายคนเดียวว่าถ้ามีหลายคนก็ยิ่งทุกข์มากจะต้องเอาใจจะต้องแย่คนนั้นคนนี้ให้ขึ้นแต่งเนื้อแต่งตัวกนนันให้ไม่มเส ม, มอเ้าว่าเจตียคติอันนี้ถ้าจะพูดก็จะเล่าเรื่องนิทานในฝันสักหน่อยหนึ่งพอเป็นต็ติในพุทธศาสนาของเรานี่แหละ มีพิสูจนี้ินมคือว่าผู้หญิงบวชเดียวทุกพิสูจน์นิมพงศ์เลแต่ฟังก็ะพุทธเจ้าท่านเทศนาเพราะแทบ อ, อกจับใจเลยและเกิดรูปโฉมของพระพุทธ อ, องค์ก็แหมนา่าดู น, าน่าคิดสงบเชียงท่านก็เพราะทำมาเทศนาที่ท่านแสดงกับใครรับแบอกจับออใจคิดไปเพลินอยู่คนเดียวนึกคิดไปแม่ ท่านกับเราไนี่เป็นไงกันเนาะท่านเลยลราลึกได้ลราลึกชาติได้เมือ่อ น, น้องเม่อแต่นมามมแล้วเคยเป็นป่าพระพุทธเจ้าครั้งๆเป็นเมียท่านเป็นเมียพระพุทธเจ้าแต่ครั้งพระพุทธเจ้าสวยเลยหัวเราขาดแน่ล้วก็เคยได้อยู่กับท่านเหมือนกันช า, าติเราชาจะใหญ่โตคิดไปอีกทีหนึ่งคิดพิจารณาไปอีก พระมดาสตรีเพศคือผู้หญิงเป็นเมียเขามันจะต้องมีเรื่องมีราวกับผัวมีการประมาทแล้วว่าทิดเฉียงกันเป็นธรรมดาเรามีเรื่องอะไรก็ท่านนอ้อจะทางงานเราจะหมายนึ่งที่จะียนาไปเลยไปเห็นเรื่องโกรธเกลียดท่านโอ้โหเลยโกรดสังเวชใจล่อล่ำให้ทันทีในขณะนั้น หัวเระแล้วกลับร้องไห้แล้วพระองค์จะพิจารณาดูตามวาลาสิตของพิคตูนีเอางัยเลยยิ้มพระโอดเพรายิ้มพระโอ ด, ะอโอดฉะนั้นนั่งฟังนั้นอยู่ธรรมาดาพุะเองค์ยิ้มยิ้มขึ้นมาแล้วจะต้องมีเรื่องอะไรสักสัอย่างเป็นของแน่นอนจะเกิเรื่องของจริงจะเกิดในเรื่องคถามคุณจะเจ้า เรื่องอะไรพระองค์ก็เลยแคบนิทานได้กันก่อนมาให้ฟังทิศุณีคนนี้เนี่ยจำไมหนึ่งเราจะไว้าชาติเป็นชางช้างตัวนั้นอุ๊ย้าใหญ่ โ, โหตหัวถังตัวไว้สดงดงามตัวใหญ่โตหัฐานที่สุดมาคิดถึงเรื่องความงามของตนแล้วก็กเลยไม่อยากอยู่กับหมู่เพื่อน นีก็อยู่ในป่าลึกเขาล้อมรอบยังมีใครไปดิดอันนี้ก็อยู่มาวันหนึ่งพวกลูกน้องพาชวนให้ไปเที่ยวอาบน้ำไปหากินยาในบริเวณแห่งหนึ่งอันนี้ก็อาบน้ำกินยาไปตามประจาทองสัตว์เพลินสนุกเฮ ห, หาไปตามโหมดตามเพืือก ที่พอดีไปจับยาไปถูกหลังมดแดงจะส่งให้อันเมียคนน้อยนี่อันญยาที่มันไม่มีมดันจะไปให้เมียคนใหญ่เมียตัวใหญ่มดแดงไปกาศเขาเลยน้อยใจเมียคัวน้อยเมียตัวน้อยน้อยใจทราบว่าท้าบมีเรื่องลักตุนแก้กันอย่างนั้นอย่างนี้นะ ทิศอาฆาตไม่ บ, บาดใหญ่โตเขาถังแล้วพอดีไปได้ทำบุญกับพระเก่งตั้งใจที่ฐาหนหลวงพ่อพเจิตรได้ทำบุญขั้งนี้นหะตายไปเขาให้ไปเกิดเป็นนางพย า, ยาและเขาให้ได้แก้แค้นไม่เาช่างตัวนี้ตายไปเป็นจริงๆไปเกิดเป็นนางให้ยังกล า, ยางคืนมาได้ไดนิมิตรสุบินใมิตรแล้วลึก รากฏเห็นช่างใหญ่ตัวนั่นอ่ะคิดแค้นเรื่องเก่าทำยังไหนาะจะฆ่าช่างตัวนี้ได้เนาะให้สมกับความแคนความอาฆาตใจก็เลยทำฆ่าเป็นเป็นอไรก็ไม่ได้สีเขาวจะเป็นดินแล้วตอนนี้ทำฆ่าไม่สบายธรรมดาสามีเห็น อาณญาไม่สบายบอกอย่อจากเจ้าโอ้ใจเข้าไปหาถามความเป็นจริงทําไมป่วไยไข้อะไรต่างนั่นก็บอกว่าไม่ได้ป่วไยไขนะ้อะไรต้องการอยากได้งาช้างเล่าเรื่องความอ่ า, ามานังได้ก่อนเก่าให้ฟังจะได้งาช้างที่เป็นเวรตัวิด็เป็นไทพูดอะไรล่ะลักกลมกลงไปแ้วเจ้าเป็นดีนะ่ะเออ เยไปเป็นทุกเดี๋ยวร้อนเรยอไม่เป็นไรหรอกวอมอะไรที่มีในโลกอันนี้เน่ยนอกจากเดือนดาวแล้วฉันทำไอ้หาใหไได้หมดทุกสิ่งอย่างเลยเรียกพวกใน่านทั้งประเทศนับเป็นหมือนหลอยแสนมาถามถึงเรื่องทางที่ใหญ่โตขนาดนี้มีไหมีนในพานก้นหนึ่งจากทูนที่มีอยู่นี่เราเลยพอยได้ตัดจากในพานนั้น อาตมาสียังเรียกเขาไปหาอะไรก็เลย ป, ป้าโรคดีกว่าสามเรื่องเหตุการณ์เป็นอย่างไงั้นต้องการจะได้หมายช่า ง, างมันอยู่ตรงมันตรงนั้นเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วจะต้องไปในทิศนั้นทางนั้นแหะในทานกนนั้นคนใหญ่ล่ามพวมพุาาทธาห่าปากปัขยันที่สุแลัคนาะข้าพีเป็นคนองิตใจกล้าหาที่สุดไม่ได้ขอเครื่อน ที่จะไปเอาช้างให้เป็นเลื่อยเป็นทอดผงอะไรตัวต่างของที่จะ่าบบุ ป, ป่าโดยคงไฟไปนั่น<ม>เป็นรองเข้าอะไรต่างหายครบเส็จสักมุดจะเดินทางเป็นคิดนั้นแ่ะทั้งเจ็ดปีก็จะถึงไปลขาไปถึงช้างน่ะนสมัยบริวารปฏิบัติประธ า, ะะาสมัยแวดระวังให้รอบด้านออก จะขึ้นบนภูเขาเพียมองเห็นรูท่าทีทุกสิ่งทุกการณ์นะเนี่ยในผลที่สุดเป็ใช้อุบัติเวลาช่างนี้จากที่นอนนั่นจะไปคุดหลุมตรงใกล้น่ะแก๊กแหวนตุ้มตรงใกล้นั่นแหละช่างพากันแวะหาอยู่หาจีนกลับมามานอนช่างใหญ่ตรงนอนนอ่นจะกันยิงเลย นายิงแหมเจ็บปวดทีทุบ่กันญสัตว์ตัวคนหญิงอยู่ไหนหากันพวกลูกน้องหาพวกวันกันทั่วทั้งดงเลยสัญญาชาห์มาคิดได้เพราะัญญาพระพระโพธิสัตว์มันต้องมีทีเดียวผู้หญิงไม่ผู้ผู้หญิงเราเนี่ยไอคนที่ทำเป็นศัตรูต้องอยู่ที่เนี่ยใกล้ใกล้นี่ะกระทืบดินลองดู ปรากฏด ว, วงไปอยู่ใต่พระโกรกกำไต่ยขุ้ยปุบปุบเห็นนายพระเ้องจับกระชากแค่ผ้านั่นแก้วผาเหลืองหุบ่มไุ่มตัวไว้พุ่มตัวไว้ท้าเห็นผ้าสาสวัสภิ์คือผ้าเหลืองด้วยใจอ่อกบอกธรรมดาคนผู้เป็นนักป่าติดไม่ควรที่จะทำลายคนที่ไป็นผ้าชนิดนี้ ฐานนี้เป็นฐานผูกไม่มีกิเลสขอมผองเป็นเครื่องหมายของผูกไม่มีที่ทจับในฐาน น, นเะเคยถามมึงมานี่ใครใช่ให้มาเพื่อประโยชน์อะไรๆๆตัวไห้จับถามที่ตัวนี้เท็ิกรือเาในฐานก็เล่ากวาไม่จริงหรือเป่าพญาช้างเราเลือกได้เลยเอเมียะรของเรามาอาบผ้าจับฐานนี้มันสมหวังเขง้ามาสมปัจจานา อ้าก็เอขมอบถวายงา a ให้มอบง g a ให้เลยบอกว่าข้าจะให้งาแกแต่แกจึงนำงานนี้ไปให้อาตมเทศีนี่เป็นงาของข้าข้าทำทานเพื่อพ่อปู่ที่ยาแะจะรีบตักแล้ง n g เรื่องเรื่องมันยืดยาวและอยากจะมีมากกว่านั้นอีไดนทานใน nga ในประจักษ์คือมหาปฏิทนนำ n g มาถวา ก็ได้งาช่างแล้วเกิดความสลดทั้งเรืในใจที่เกิดที่เป็นอคุิส่ของตนมีในตนเกิดอาการใย่างายในตอที่สุดตอนท้ายเลยมดใจแตกดับต่างพูดึงนันนี่พูดถึงเรื่องควมทุก นั้นมีอยู่ในความสุขความดีมีอยู่ในควาชั่วจะอธิบายเรื่องนิทานมันยืดยาวแชากาเป็นนิทานอ่อนเพื่อให้เข้าใจเรื่องความชั่วมีอยู่ในความดีมีอยู่ในความชั่วแล้วผู้ใจเจ้าของเรา<ม>เห็นโทษ ในเรื่องของเกิดพอเกิดขึ้นมาแล้วจําเป็นจะต้องมีเรื่องยืดยาวหลายอย่างไม่มีก็จําเป็นมันก็มีเกิดมในโลกเพราะเกิดขึ้นมาก็ต้องมีบิดามันดาน่าก็จำเียมเรื่องที่เรื่องบิดามานดาผู้มีอุปการและคุณเขาจะต้องเลี้ยงดูผู้เสื่อมบิดามันดา น, นอกจากนั้นในมีครอบครัวก็มีภรรยาก็จะต้องมี เรื่องทะเลาะเบาแหวกกันกาจะต้องมีความชั่วทุจริตก็ผิดตัวประการต่างๆเกิดขึ้นมาตามมาอีกเห็นทอในความเกิดมันจะต้องเป็นของยืดยาวไปอย่างนี้เอาไว้หนีด้วยวิธีอื่นไม่เป็นอย่างหนังช่างนะหาด้วยวิธีที่สงบคือว่าตัดจิตใจของเรายา่แบบกังวลกลัวความเสี่ยงของเรื่องอะไรนะ หนีวิธีดวยวิธีนี้วิธีหนีจากทุกคนเราสมัยนี้หนีจากทุกนั้นพ า, ต, าต่างสงเงินทองเขาขอ ง, ของ ม, ามากมายล้วงไหลอะไรต่างเข้าใจว่ามีมากแล้วมาจะปนจากทุกยิ่งมากยิ่งทุกก็เมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยโจรขโมยล้นสะดมด้วยประการต่างๆตามาแถวๆนี่ให้มีเงินจะไหนไปขาปนเหรอ เป็นหมู่เป็นฟากเป็นพวกเขาโเนาะจนคนไม่อยากมีเงินเห็นพ่โทษราการมีเงินมีก็เป็นภัยอันตรายเกิดอในลองคิดดูอันหนีด้วยวิธีไม่ถูกทางมันเป็นยิ่งสร้างเป็นทุกร้ายเก่าเก่าพราะว่าได้เจ้าท่านมาอย่างนั้นแ่พวกทั้งหลายท่านมาอย่างนั้นหนี้นวิธี ท, ทางข้อ สลั ก, กว่าเรายังสลักไม่ได้แล้วก็สะสมไปแต่ว่าให้เข้าใจไว้อย่าไปเข้าใจว่าเป็นของที่จะปนแกงทุกโดยฐานยยีถ้าหากบุณบา ร, รมีว่าจนาถึงที่เขาแล้วตะละอย่างผู้ได้เจเ้าใดสมทุกข์ทั้งหลายบังค่บสมที่นั้นสลักมดติ้นไปด้วยอาการอย่างนี้ทุกนี้ทุกโดยอาการอย่างนี้ไม่ใช่นิทุกโดยที่อยู่ นี่จึงเอาทุกมาเป็นอารมณ์เอาทุกมาเป็นเครื่องวัดเครื่องเทียบเราไม่ใช่วัดเทียบโดยวัตถุภายนอกถ้าหากว่ามีปัญญาวัดเทียบอืวัตถุภายนอกก็ยังพอดูยังพอเข้าใจได้ดังอธิบายมาแล้วเราอยากมีอยากรวยเมื่อรวยแล้วเข้าใจว่าจะสนุกสุขสบายมีร้อยมีพนันมีหมื่นนีแ้แต่น่นมีั้่เป็นล้าน ยิ่งวุ่นวายใหญ่โตม็ฐานผู้ที่มีเงินมากๆแล้วรู้สึกว่าไม่ใจมีความสุขเลยคนไม่มีก็เข้าใจว่านี้อย่างคนมีนั้นเราจะได้ความสุขหากเราไปมีอย่างนั้นเราจะเหตุทุกข์ขึ้นมาทันทีนี้ถ้ามีปัญญาต้องเป็นเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาเป็นท่เจียมัวมาคนหมามีมากก็จะเล่นสนุกเพค่ะดื่มสดายาเมาเป็นนักเล่นนักสุรานาดีลืมตัว นั่นมัวเมงเพินขอบคุณนี้ทุกแบบนั้นยิ่งมีแต่ทุกหนักหนาไม่ใช่จะทุกในชางนี้ถ้างหนาจะได้เหยทุกอีกอต่อไปพระพุทธเจ้าท่านหนีทุกหนีเรื่องการสลัอย่างเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งกษัตริย์เห็นทุกในเรื่องนี้ในเรื่องครอบครองราชสมบัติจะเป็นกษั <c oughs> ต่ิย์เจ้าราชสมบัติออกบวด เป็นคนขอฐานลงผม ล, ล, ลงหนวดจะได้ก็ออกขอทานการขอฐานนั่นคนทั้งหลายเห็นว่าเป็นทุกข์แต่พระองค์ไม่ใช่เห็นเป็นทุกข์แต่ละคือเป็นเรื่องปลองคาระขอดละยังเหลืออย่างเดียวเดีวขอฐานแตปักแต่ท้องเรื่องอื่น ท, ทอดละสมบุกเลยปล่อยวางหมดเลย มีเรื่องการสลับมันเป็นวิทางพ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้วิธีนี่ยายทุกข์หนีโดยวิธีนี้เน่งว่าถ้าหากว่าเรายัางหนีไม่พ้นในสถานนะั้นเราก็จะตกไว้แต่ให้เข้าใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นทางพ้นจากทุกข์โดยถ่ายดีเป็นเครื่องแก้ทุกข์ชั่วคราวเหมือนกับเราเป็นใครหาจามาแก้ใครไม่ได้เรียนแก้กันได้ชั่วคราว ก็ยังนี้อยู่เดียวมันเกิดชุมมะใหม่อีกวันดีคืนดีมันเป็นไข้ชุมใหม่มียาประจําตัวไว้กินหายแต่ละขับไปวันดีคืนดีแล้วหลังมันกลับมาเกิดอีกต้องคิดดูสิทุกวันเนี่ยนี่เน่ยมันเป็นไข้เมเรียตลอดหาไยไปไปเดียเด๋ยวพระดาเดียวเกิดชุมมะใหม่อันทุกข์นะไม่ใช่ทุกอื่นไกลล่ะไม่ได้ปูดอะไรมากมายละ้ะ ความรักเป็นสุขเห็นหน้ากันสนุกเท่ห์พนะูดจาหนีมนวนจิตใจฟองใ้เบิกบากหิมโอหิมใจเดี๋ยวไม่กี่วันนะเดี๋ยวกลับทะเลาะกันรุ่มอกรุมใจ้อเดียวมีเรื่องอะไรขึ้นวะหากรอบอกขอใจนันหายกันไปวันหลังกลับมาอีกทะเลาะอีกคู่ใด ผู้ใดคู่เมียสามคีกันดีสบายเป็นสุขสามคีปองดองกันดีมีความสุขสนะแต่ก็ไม่ยืนนานนะอันคนที่ทะเลาะกันเมื่อเช้ากับทะเลาะกันเย็นกัทะเลาะกันนันทีเป็นทีทะเลาะกันทั้งเช้าทั้งเย็นถ้าจะ เ, เรียดตั้งไข่มื่อเย็นก็แทบจะตายไปแล้วละเมื่อเช้ากับไข่มาเวีนเมื่อเย็นก็บไข่ก็แทบจะตายไปแล้วล่ะ นี่เรื่องมันไม่ใช่ของจริงจังเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยการที่ไม่เป็นเป็นไข่เเลยนั่นคือทอดทุราปล่อยวางอย่างคุณทีเจ้ายังเหลืออย่างเดียวคือว่าวัฏฐานเป็นต่าเป็นทองเขาเรียกต่างเรียกทองวันวันเมื่อภาละทอดทุระนี่พูดทังเรื่องทุกแม้ว่าถึงเรื่องสุขมีอยู่ในทุกคำว่ามีอยู่ในทุกหมายความว่า เราเห็นทุกข์แล้วเราพยายามที่จะพ้นจากทุกข์ด้วยวิธีของสั่งดับจิตบาลยืดยาวนั้นเรียกว่าสุขหาสุขอยู่ในทุกข์หาดีอยู่ในชั่วคนที่ทํำชั่วทุจริตตัวขึ้นติดเร็วตาหนักสั่งรูนตัวแล้วก็พยายามแก้ไขทกียกว่าหาความดีจากทุกข์ คนที่จะหาบุญหาผูศสนจกบาปเห็นว่าเร า, พาเรบพฤติชาเลวกรรมชาเลวสามบาปของผูน้นมุกมุนมานมนานมาถึงการถึงเวลาเวลานี้เราจะสลากปล่อยวางเราจะบอกเป็นพุังความดีจากนี้ไะชีวิตที่ยังเหลื อ, อยประมาณเท่าไรก็ไม่จำกัดชีวิตที่ยังเหลื อ, อท่านนี้เราจะไม่ยามบอกเป็นพุังความดีต่อไปเพราะเราเห็นบาปของผู้สนกลทั้งหมีอยู่ในตัวตองตนมากแเย้ย อันนี้เรียกว่าหาบุญในบังที่แสดงมานี่น่ะทำไมยังต้องแสดงกันอย่างนั้นแกพูดกันอย่างนั้นเพื่อประโยชน์อะไรคือว่าเรื่องธรรมะคำสองข้อพระเจ้านะั่นถ้าหากเราเข้าใจแล้วจะได้ทำตนให้ถูกต้องตามธรรมคำสองข้อพระเจา ปฏิบัติตามทำคําสอนบริจาคคือรู้จักทั้งดีรู้จักทั้งชั่วรู้จักทั้งบาปบุญคุณโทษประโยชน์รู้จัประโยชน์แล้วก็เลือกออกเจ้สิ่งที่ดีที่เป็นคุณเป็นบุญเป็นประโยชน์ที่สอนมาไอ้ที่แสดงมาเพื่อเข้าใจตรงนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราปฏิบัติอย่างนี้ก็จะเห็นคุณของทำคําสอนบริจาคเป็นธรรมนิยานีิกระทํานําบุคคลให้หนีจากทั้มชั่วรู้จากทุกได้จริง ทำมันนั่นเข้าไปทราบซึ้งถึงจิตใจทำมานั่นจะเป็นของไม่เสื่อมสลายสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ภายนอกตายแล้วทิกงมืความเข้าใจและความรู้อย่างที่อธิบายมานี้ถ้าไปจิตใจทราบซึ้งถึงใจแล้วไม่มีเสื่อมสลายถึงแม้สมบัติภายนอกจะไม่มีแต่ความจริงอันนี้นมันมีอยู่ภายในปัญญาความรู้อันนี้อยู่ภายในละชั่วทําดีละบาปออกมเป็นบุญ ตอลอด ก, การเวลาถึงแม้จะดับขันสิ้นชี่ตายไปายอันนั้นจะจิดตามผลไปในตรโลกตรโลกธรรมะไม่เหมือนก็ต้องบาดสายออกที่เราเจาสมไปมากาวายตายไปแล้วมันมีอะไรจิตตามไปเลยมีที่อธิบายถึงเรื่องธรรมะข้อนี้เพื่อเข้าใจตรงนี้เพื่อให้เห็นประโยชน์ตรงนี้เพราะฉะนั้นที่อธิบายมา ก็เป็นการตั้งคำถามแต่ากและยืดยาวอธิบายเรงมากแต่เด็กจําไม่หลักไม่ได้จริงสรุปรวมเพียงกันยอ ด, ดัอธิบายมาแต่กี่นี้เพราะฉะนั้นทุกๆคนจงพากระตุ้นใจที่จะทำมากทำมากเป็นสาระคือพึ่งถ้าหกคนเราไม่มีสาระคือธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วจะอยู่มาเป็นสุขถ้ามีธรรมะเป็นสาที่พึ่งแล้วจะอยู่ในโลกนี้ก็สุข ในพระโลกขานาคตกเป็นสุขอาชีพยยใดๆที่เราดำเนิอนอยู่ถ้ามีธรรมะธรรมะเป็นเครื่องกำกับไปแล้วก็จะลาบลืมสม่าเสมอเป็นทางน้ำมาเจนครบสุข ด, ดังอธิบายมาด้วยเปลาอก้า